ซึ่งตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือนสองปีมะเมียนี่ก็เพิ่งจะผ่านวันปีใหม่มาได้ไม่นานเท่าไหร่อีกทั้งอีกสองวันก็จะเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมอันเป็นวันที่เราถือกันว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะขอยกหัวข้อธรรมอันเป็นมงคลจากพระสูตรที่กล่าวถึงมงคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส ตอบปัญหาธรรมแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายได้นำมาแสดงเพื่อให้ได้เป็นข้อคิดคติและถือว่าเป็นพรรับปีใหม่อันเสรฐที่เหล่าสาธุชนเมื่อได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตของทุกๆท่านได้พูดถึงว่าอีกสองวันก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่เราให้ความสาคัญกับเด็กๆเกยาวชนทั้งหลาย ทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กๆนั่นก็เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆของชาติเราในวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนเหล่าผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆและเหล่าผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ก้าวเข้าสู่วัยชราอันเป็นวัยที่ควรแก่การลดวางภาระต่างๆให้คนรุ่นหลังๆได้ดูแลต่อไปฉะนั้นการดูแลและให้ความสาคัญกับเด็กๆ โดยการสร้างให้เขาเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเราก็จะได้มีจํานวนคนดีและคนเก่งเข้ามาสู่สังคมมากขึ้นเมื่อทรัพยากรที่สําคัญและมีค่าที่สุดคือทรัพยากรบุคคลของประเทศมีคุณภาพแล้วประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดีนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนภายในประเทศหรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือประชากรภายในประเทศก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมาก มีความทุกน้อยเมื่อพูดถึงทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือทรัพยากรบุคคลแล้วก็เกิดมีคำถามขึ้นว่าลักษณะบุคคลแบบไหนจึงมีค่าและหาได้ยากในโลกถ้าไม่นับสัมมาสัมพุทธบุคคลและเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วในทางโลกิยะหรือที่เราเรียกกันคือในแบบทางโลกแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับบุคคลที่หาได้ยากไว้อยู่สองแบบ นั่นก็คือบุปการีหนึ่งกตัญญูกตะเวทีหนึ่งซึ่งทั้งสองคำนี้ก็เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆส่วนมากเราก็จะนึกถึงพ่อแม่และลูกแต่โดยตัวความหมายของศัพท์ทั้งสองคำเองแล้วก็เป็นคำกลางๆใช้ได้กับบุคคลทั่วๆไปสําหรับบุคคลที่กระทําอุปการรกัก่อนท่านเรียกว่าบุพการี ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพของบุพการีชัดที่สุดก็คงไม่พ้นมารดาบิดาที่มีต่อบทแต่ก่อนจะพูดถึงบุพการีต่อไปขอทำความเข้าใจกับคำว่าอุปการะสักหน่อยก่อนคำว่าอุปการะประกอบไปด้วยศัพท์คาว่าอุปะแปลว่าเข้าไปและคำว่าการะแปลว่ากระทาฉะนั้นอุปการะก็แปลตรงๆรงได้ว่าเข้าไปกระทา แต่โดยมากเรามักจะใช้ในความหมายของการลิ้งดูซึ่งการลิ้งดูก็เป็นความหมายหนึ่งของการเข้าไปกระทานั่นเองหมายถึงเข้าไปกระทาการงานเข้าไปกระทาอะไรต่างๆให้นั่นเองฉะนั้นบุปการีที่แปลว่าผู้กระทาอุปการะก่อนความหมายกว้างๆก็ได้ภาพของบุคคลที่เข้าไปกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการช่วยเหลือเป็นต้นแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งก่อน แต่โดยธรรมชาติของการเป็นบุพการีที่เราจะเห็นได้เด่นชัดนั้นส่วนมากก็จะเห็นได้กับพ่อแม่ที่มีต่อลูกเพราะพ่อแม่ได้เข้าไปกระทําการงานต่างๆมีการเลี้ยงดูมีการให้ความรู้และอื่นๆให้กับลูกโดยที่ลูกไม่ต้องขอแต่ในกรณีบุคคลทั่วๆไปการที่เราเห็นใครเดือดร้อนแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือ นั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะก่อนเช่นกันแล้วทําไมพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าอุปการีเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนั่นก็เพราะว่าการที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะก่อนได้นั้นจิตหรือใจของบุคคลนั้นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอยู่สองประการคือเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาหนึ่งเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกรุณาหนึ่ง เมตานั้นแปลว่าความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกรุณาแปลว่าความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ในกรณีที่บุคคลที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือหรือทําสิ่งต่างๆให้นั้นเขาไม่ได้มีความทุกข์หรือเดือดร้อนอะไรจิตที่จะมีอุปการะได้นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยเมตตาแต่ถ้ามีความเดือดร้อนหรือมีทุกข์แล้วเราต้องการที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นั้น อุปการะนั้นก็จะเป็นมาจากจิตที่ประกอบไปด้วยการุณาดังนี้ซึ่งถ้าขาดคุณสมบัติทั้งสองคือเมตตาและการุณานี้แล้ว้ายการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะก่อนนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่โดยมากแล้วธรรมชาติที่ครองใจของหมูสัตว์อยู่ก็คือกิเลสมีโลภะความอยากได้โทสะความโกรธราคะความกำหนัดยินดี โมห oh ะความหลงนี่เป็นเหตุให้ธรรมชาติฝ่ายธรรมะมีเมตตามีกรุณาเป็นต้นเกิดขึ้นในดวงจิตได้ยากถ้าไม่ได้รับการฝึกอบรมให้เกิดขึ้นและแม้มีเกิดขึ้นในจิตแล้วแต่กําลังมีไม่มากพอก็จะไปหยุดอยู่เพียงแค่ชั้นของความคิดไม่ได้ออกมาเป็นการพูดหรือการกระทําแล้วใช้ก็ยังไม่ขึ้นชื่อว่าได้ทําอุปการะแก่บุคคลอื่นเช่นกัน นี่ก็ชี้ให้เห็นถึงความยากของการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำซึ่งอุปการะแก่บุคคลอื่นเมื่อพูดถึงการทำอุปการะแล้วบางท่านอาจจะสงสัยว่าต้องทำอะไรเท่าไหร่จึงที่ชื่อว่าทำอุปการะคำตอบนั้นก็กว้างมากแต่อรรมาภาพก็จะขอตอบตามแนวทางของทิศหซึ่งคิดว่าน่าจะครอบคลุมและเห็นได้เป็นรูปธรรมเพียงพอ สำหรับบุคคลที่เป็นพ่อแม่ท่านเปรียบเป็นทิศเบื้องหน้าอุปการะที่จะสามารถทําให้กับลูกนั้นก็มีหประการด้วยกันคือห้ามเสียจากบาปหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ศึกษาศิลปะหนึ่งให้มีคู่ครองที่สมควรหนึ่งมอบบารดกให้ตามเวลาหนึ่งสำหรับบุคคลที่เป็นอาจารย์อันท่านเปรียบเป็นทิศเบื้องขวาอุปการะที่จะมีให้กับลูกศิษย์นั้น ท่านก็ตรัสไว้ว่ามี5ประการคือแนะนำดีหนึ่งให้ศึกษาดีหนึ่งบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงหนึ่งทำให้เป็นที่รู้จักในมิสหายหนึ่งทำการคุ้มครองในทิศทั้งปวงหนึ่งอุปการะที่สามีจะพึงมีให้แก่ภรรยาคือทิศเบื้องหลังนั้นมีหประการคือด้วยการยกย่องหนึ่งด้วยการไม่ดูหมิ่นหนึ่ง ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งด้วยการให้เครื่องประดับหนึ่งสำหรับอุปการะที่เราจะมีให้กับมิสหายอันเปรียบด้วยทิศเบื้องซ้ายนั้นมี5้าประการคือด้วยการให้ปันหนึ่งด้วยการพูดจาไพเราะหนึ่งด้วยการประพฤติประโยชน์หนึ่งด้วยการวางตนเสมอกันหนึ่งด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันหนึ่ง สำหรับอุปการะที่นายจะพึงมีให้แก่ลูกน้องอันเป็นทิศเบื้องต่ำก็มี5ประการคือโดยให้ทำงานตามกำลังหนึ่งโดยการให้อาหารและรางวันหนึ่งโดยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้หนึ่งด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้หนึ่งโดยการปล่อยให้อิสระตามสมัยหนึ่งและอุปการะที่สมณพราหมณ์อันเป็นทิศเบื้องบนจะมี ต่อกลุบบุตรนั้นมีด้วยกัน6ประการคือห้ามเสียจากบาปหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามหนึ่งให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดหนึ่งบอกทางสวรรค์ให้หนึ่งซึ่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้ออาตมาก็ขอที่จะไม่ขยายความออกไปเพียงแสดงแต่หัวข้อเพียงเท่านี้ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยจํากัดเวลาแต่ด้วยการแสดงแบบย่อแต่เพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการทําความเข้าใจของสาธุชนทั้งหลายได้พอประมาณไม่ได้กล่าวถึงการทําอุปการะพอสังเขปตามแนวทางของทิศหกไปแล้วบุคคลผู้ได้รับอุปการะและรู้ถึงอุปการะหรือคุณที่บุคคลอื่นได้กระทําแล้วแก่ตนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ ซึ่งอุปการะหรือคุณอันบุคคลอื่นกระทําแล้วแก่ตนหรือเรียกสั้นๆในแบบภาษาบาลีว่ากตัญญูซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องว่าความกตัญญูนี้เป็นหนึ่งในมงคลอันสูงสุดคําถามก็มีว่าเพราะเหตุอะไรท่านจึงยกย่องว่าความกตัญญูนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งอาตมาภาพก็จึงอยากให้ทุกท่านได้ลองนึกคําตอบไว้ในใจดูก่อน แล้วค่อยเทียบเคียงกับที่อัตมาจะได้อธิบายต่อไปนี้ตามธรรมดาของสัตว์โลกมีทุกเป็นพื้นเดิมเช่นอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็ต้องทุกเพราะหิวเพราะกระหายเพราะหนาวเพราะร้อนเป็นต้นฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้ทุกต่างๆเหล่านี้ได้บรรเทาลงไปจึงต้องมีการกินการดื่มมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าวข้างตน้นแต่การได้มาซึ่งสิ่งของเพื่อบําบัดทุกข์เหล่านั้นบางครั้งเราก็หามาได้ด้วยตัวเองบางครั้งเราก็ได้รับจากผู้อื่นแต่ถ้ามองกันแค่ตามความเป็นจริงแล้วคนเราไม่สามารถอยู่ได้ตามลําพังตนเองได้เลยต้องพึ่งอากาศเพื่อให้ชีวิตดาเนินไปได้ต้องพึ่งข้าวพึ่งน้ําเป็นเด็กก็ต้องพึ่งพ่อแม่ เพื่อที่จะได้สิ่งต่างๆมาไว้ดำรงชีวิตให้เป็นไปได้พูดให้ซับซ้อนขึ้นอีกนิดอยู่ในสังคมเราก็ต้องพึ่งพาคนรอบข้างพึ่งพาสิ่งต่างๆรอบข้างบางท่านก็อาจจะคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครเราทำงานก็ได้เงินเมื่อมีเงินเราก็หาสิ่งต่างๆได้ตามประสงค์ก็ขอแก้ว่าเงินก็ไม่ได้นาพาสิ่งต่างๆได้ตามที่เราต้องการ ยกตัวอย่างในปีน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราติดอยู่ในบ้านรับการช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ได้เลยทั้งหิวทั้งกระหายทั้งหนาวและป่วยไขย้เงินที่เรามีมากมายนั้นก็ไม่สามารถจะแก้ทุกที่เกิดขึ้นขณะนั้นได้เลยที่พูดมายืดยาวนี้ก็จะชี้ให้ทุกท่านได้เห็นว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะสแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อบรรเทาทุกที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศักยภาพที่มีนั้นก็ต้องพึ่งพิงอาศัยสิ่งต่างๆหรือบุคคลอื่นๆรอบตัวทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งต่างๆหรือบุคคลอื่นๆรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่มีคุณหรือบุคคลผู้มีคุณแก่เราทั้งนั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะถามท่านสาธุชนทุกท่านดูว่าทุกท่านรู้สึกถึงความมีคุณของสิ่งต่างๆที่เราได้รับประโยชน์นั้นอยู่ทุกครั้งหรือไม่ ยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพมากขึ้นกรณีรับประทานอาหารโดยมากเราก็รับประทานอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการทางรสชาติเป็นสำคัญมีสักกี่ท่านที่รับประทานอาหารโดยความรู้สึกว่าเรารับประทานอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตเราดำเนินไปได้เห็นคุณค่าของอาหารที่มีต่อการดำเนินไปของชีวิตเพราะความไม่เห็นว่าเป็นของมีคุณความเป็นของไม่มีค่า จึงใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหลือทิง้งไม่เป็นไปเพื่อความพอดีใช้ไปในแง่ของการบรรเทาความอยากของใจหรือพูดให้ชัดคือใช้เพียงสนองกิเลสในใจเท่านั้นซึ่งถ้าเรามองถึงลักษณะของจิตแล้วลักษณะต่างๆที่กล่าวมามีการไม่เห็นว่าเป็นของมีคุณใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหลือทิง้งไม่เป็นไปเพื่อความพอดีเหล่านี้เป็นต้นนั้นบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะของจิตที่แข็งกระด้าง กุ่นมัวฟุ้งมืดมนไม่สงบไม่แช่มชื่นไม่ผ่องใ ส, สแสดงถึงดวงจิตที่มีกิเลสเฟื่องฟูมีอำนาจขึ้นในกรณีกับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราเช่นพ่อแม่และลูกลูกจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลยถ้าปราศจากพ่อแม่คอยดูแลเลี้ยงดูตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อแรกคลอดก็ยังทาอะไรไม่ได้ ยังต้องพึ่งพ่อแม่ทุกอย่างตราบเมื่อโตถึงวัยที่พอจะพึ่งพาตนเองได้แล้วพ่อแม่จึงค่อยคลายพาระลงทั้งนี้ถ้าจิตของลูกยังเป็นลักษณะจิตที่แข็งกระด้างขุ่นมัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคุณประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่ได้กระทำไว้นั้นลูกก็จะมองเห็นเป็นเพียงหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องปฏิบัติเท่านั้นกลับกลายเป็นว่าลูกอยากไปเที่ยว พ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่ต้องให้เงินลูกไปเที่ยวตามความอยากของลูกสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆคุณประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่ได้ทำไปลูกมองไม่เห็นว่าเป็นคุณที่พ่อแม่นั้นได้ทำไว้แก่ตนเองเลยในสังคมของมนุษย์พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะ ก, ก่อนกับลูกอย่างเด่นชัดชัดเจนมากกว่าเพื่อนกับเพื่อนหรือเจ้านายกับลูกน้องเป็นต้น ถ้าใจของบุคคลใดมองไม่เห็นคุณที่พ่อแม่ได้กระทำไว้แล้วแก่ตนเองแล้วซ้ายบุคคลนั้นก็ยากที่จะมองเห็นคุณที่บุคคลอื่นๆได้กระทำไว้แล้วแก่ตนซึ่งก็เป็นไปเพราะอํานาจของกิเลส ท, ที่บังใจครอบงาจิตทําให้จิตแข็งกระด้างขุ่นมัวทําให้มองไม่เห็นคุณที่เหล่าผู้มีอุปการะนั้นได้ทาไว้แล้ววิธีที่จะแก้ใจลักษณะนี้ละ่ะมีไหมคาตอบก็คือมี ก็โดยการพิจารณาอยู่เนืองๆแม้ในสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเองพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงละเลยในการพิจารณาถึงประโยชน์ที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้มีแก่เราดังบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่ทุกเช้าค้าคือบทปฏิสังขายโยและบทอติตะปัจเวคขณะในแง่ของอาหารที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้นท่านก็สอนให้เราพิจารณาเนืองๆว่า มินทบาตหรืออาหารนั้นอันเราบริโภคแล้วไม่เพื่อเล่นไม่เพื่อเมาไม่เพื่อสดใสไม่เพื่อเปล่งปลั่งเพียงเพื่อตั้งอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อระ ง, งับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พระมัรรย์ิโดยคิดว่าเราย่อมระ ง, งับเวทนาเก่าเสียได้ด้วยจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความเป็นหาโทษไม่ได้ ความผาสุก ข, ของเราจะมีด้วยเพราะอย่างนี้เมื่อพิจารณาหรือเตือนตนอยู่นึงๆอย่างนี้แล้วความมัวเมาความเพลิดเพลินความประมาทในอาหารก็ระงับดับลงไปสามารถเห็นคุณค่าของอาหารที่เราบริโภคไปว่ามีคุณทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่ได้อย่างผาสุกไม่มัวเมาเพลิดเพลินใช้อย่างพอเหมาะพอดีกับตนเหมาะสมกับฐานะของตน จิตใจก็เป็นจิตใจที่สงบระงับลงมีความสงบผ่องใสแชื่อมชื่นเบิกบานเป็นจิตที่ไม่กระด้างเป็นจิตที่อ่อนเป็นสภาพของจิตที่เอื้อต่อการเจริญขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายสำหรับบุคคลที่มีคุณถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่การงานที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นนั้น เราไม่สามารถจะทำได้ด้วยกำลังของเราเพียงลำพังทั้งหมดต้องอาศัยหัวหน้าอาศัยเพื่อนอาศัยลูกน้องอาศัยสิ่งต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างดีไม่เสียหายตัวอย่างเช่นเมื่อแรกเข้าทำงานก็ต้องได้หัวหน้าคอยสอนงานให้ได้เพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือปรึกษาเมื่อมีลูกน้องก็ต้องอาศัยลูกน้องช่วยแบ่งเบาภาระงาน ช่วยกันทำงานให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นการฝึกพิจารณาเบื้องต้นเพื่อให้เห็นคุณของบุคคลที่ต้องทำงานด้วยกันสำหรับลูกก็ต้องพิจารณาว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้เสื้อผ้าตัวเก่งที่ใส่โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเม่ได้ไปอวดเพื่อนฝูงอาหารอย่างดีที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้ทุกอย่างเหล่านี้ ก็ล้วนมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อแม่ทั้งสิน้นแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของที่พ่อแม่เป็นผู้กระทำขึ้นให้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราเองฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดให้อาหารให้สิ่งต่างๆให้ร่างกายและชีวิตนี้แก่เราถ้าปราศจากท่านทั้งสองแล้วเราคงไม่มีชีวิตที่สุขสบายเห็นป่านนี้ เมื่อฝึกใจพิจารณาคุณของบุคคลและสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วคุณธรรมที่เรียกว่าความกตันยูหรือที่นักเรียนบาลีชอบแปลกันว่าความรู้จักอุปการะหรือคุณอันท่านกระทําแล้วแก่ตนจึงเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติในจิตของผู้พิจารณาอยู่เหนื่งเนืองจิตของบุคคลนั้นจะเป็นจิตที่อ่อนควรแก่กุศลธรรมถือว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่ง ที่ใช้ซักฟ อ, อกจิตได้เป็นอย่างดีพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องความกตันยูคือรู้ขุนท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นบุคคลใดสามารถสร้างกตัญยูให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นคุณสมบัติในจิตของตนเองได้แล้วความดีความเป็นมงคลมีการที่กิเลสในใจได้ถูกซักฟ อ, อกชำระล้างไปเป็นในภายในมีการได้เห็นและนำไปสู่การคิด พูดทำในสิ่งที่เป็นกุศลอื่นๆต่อไปเป็นในภายนอกก็จะมีขึ้นได้เป็นคุณธรรมที่ดีเห็นป่านนี้ก็สมดังพุทธภาสิต ท, ที่ได้ยกไว้เป็นเบื้องต้นว่ากะตัญยุตาเอตมังคัลมุตมังแปลความว่าความเป็นผู้รู้ซึ่งคุณอันบุคคลอื่นกระทำแล้วแก่ตนเป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่ง ความกรตันยูเรามักจะใช้คู่กับคาว่ากะตะเวทีซึ่งเรามักจะแปลว่ากระทำตอบแต่ถ้าดูจากรากศัพท์แล้วกระตะเวทีก็มาจากคำว่ากระตะแปลว่าอั้นเขากระทำแล้วหนึ่งเวทีแปลว่ารู้หนึ่งซึ่งคำว่ากระตะเวทีก็แปลได้ว่าผู้รู้อุปการะอันผู้อื่นกระทำแล้วเช่นกันแต่ในชั้นอธิถตถ า, ารย์ ท่านได้ไขเพิ่มเติมคําว่ากตะเวทีว่าผู้รู้อุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแล้วแก่ตนโดยการประกาศซึ่งคุณ น, นั้นหรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือว่ารู้คุณที่บุคคลอื่นกระทําแล้วแก่ตนแล้วแล้วก็ประกาศหรือกระทําคุณอันนั้นให้เป็นที่ปรากฏขึ้นด้วยคําว่าประกาศซึ่งคุณ น, นั้นก็กินความไปได้หลายในไม่ว่าจะทางคําพูด โดยการยกย่องสรรเสริญคุณท่านหรือเป็นการกระทําต่างๆเพื่อเป็นการแสดงถึงคุณท่านให้ปรากฏฉะนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงสรุปลงเป็นความหมายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นความหมายที่เราใช้กันโดยตลอดนั่นก็คือกระทําตอบหรือตอบแทนนั่นเองอันหนึ่งจากที่ข้างต้น ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการกระทําอุปการะในแนวทางแห่งเรื่องที่หกนั้นกระตะเวทีหรือการกระทําตอบก็จะได้อธิบายในแนวทางแห่งที่หกเช่นเดียวกันบุตธิดาเมื่อได้รับอุปการะจากมารดาบิดาแล้วพึงกระทําตอบใน5สถานคือท่านเลี้ยงเราแล้วเราจากเลี้ยงท่านหนึ่งเราจะทํา ก, กิจของท่านหนึ่งเราจะดํารงวงสกุลหนึ่ง เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทหนึ่งเมื่อท่านทํากาละล่วงรับไปแล้วเราจะ ก, กระทําทักษิณาอุทิศท่านหนึ่งสิทธิ์อันได้รับอุปการะจาอาจารย์แล้วพึงปฏิบัติตอบ5สถานคือโดยการลุกขึ้นยืนรับหนึ่งโดยการเข้าไปยืนคอยรับใช้หนึ่งโดยการเชื่อฟังอย่างยิ่งหนึ่งโดยการปฏิบัติหนึ่ง โดยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพหนึ่งสามีกระทาอุปการะแก่ภรยาแล้วภรยาพึงกระทาตอบ5ประการคือจะแจงงานดีหนึ่งส่งเคราะห์คนข้างเคียงดีหนึ่งไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่หนึ่งขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงหนึ่งมิสหายผู้ได้รับอุปการะแล้ว เพิ่งกระทำตอบห้าสถานคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่งรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่งเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยหนึ่งไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายหนึ่งนับถือสมาชิกในวงของมิตร1ถ้ากรรมกรหรือลูกจ้างเพึ่งกระทำตอบต่อนายโดยฐานะห้าประการคือเป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนายหนึ่งเลิกงานที่หลังนายหนึ่ง ถือเอาแต่ของที่นายให้หนึ่งกระทาการงานให้ดีที่สุดหนึ่งนเกียรติคุณของนายไปร่ําลือหนึ่งและสุดท้ายคือกุลบุตรพึงกระทาตอบต่อสมณพราหมณ์ผู้เปรียบเป็นทิศพึ่งบนได้5สถานคือด้วยเมตตากายกรรมหนึ่งด้วยเมตตาวจีกรรมหนึ่งด้วยเมตตามนโนกรรมหนึ่งด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับหนึ่ง โดยการคอยถวายอามิสทานหนึ่งได้พูดไปแล้วว่าโดยมากกระต่าเวทีนั้นเรามักจะใช้คู่กันกับคําว่ากตันอยู่ซึ่งคุณธรรมคือความกระตันอยู่นั้นก็ได้อธิบายไปแล้วถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีคุณธรรมนี้ปรากฏขึ้นในใจโดยภาพก็จะเน้นไปในภายในคือการซักฟอกจิตและเพื่อให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีสภาพที่เอื้อต่อ ก, การเกิดกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อคุณธรรมคือความกระตันอยู่เกิดขึ้นแล้วจิตจึงจะสามารถยกระดับขึ้นไปเป็นกระตะเวทีต่อไปได้เพราะรู้ซึ่งคุณที่บุคคลอื่นได้กระทําไว้แล้วแก่ตนและตนก็รู้ถึงวิธีที่จะสามารถกระทําตอบแทนแก่ผู้มีอุปการะกอดได้จึงได้มีการกระทําความดีต่างๆเป็นการตอบแทนซึ่งคุณอันตนได้รับแล้วโดยทั่วไปก็ได้อธิบายวิธีการกระทาตอบแทน ไปแล้วตามแนวทางของทิ่หกซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ส่งวางไว้ได้ครอบคลุมทีเดียวเหมาะกับบุคคลที่ยังไม่รู้วิธีว่าจะกระทําการตอบแทนได้อย่างไรบ้างแต่สำหรับบุคคลผู้มีไหวพริบมีการพิจารณาโดยแยกคายเป็นผู้ฉลาดในอุบายก็ย่นย่อลงเหลือแค่คิดดีตอบพูดดีตอบและทาดีตอบก็คงจะพอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนตามแนวของทิศหกก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีย่อเหลือแค่คิดดีทำดีพูดดีนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการกระทำตอบนั้นก็คือการกระทำตอบบนพื้นฐานของจิตที่เป็นกุศลด้วยยกตัวอย่างการลุกขึ้นยืนรับที่ทศิษย์สา ม, มารถกระทำตอบได้กับครูอาจารย์นั้นถ้าการยืนรับด้วยจิตที่ไม่นอบน้อมไม่ถ่อมตน เป็นไปด้วยความไม่ยินดีมีความกระด้างในจิตกิริยาคือการยืนนั้นก็บ่งบอกแสดงออกมาได้ตามสภาวะของจิตคือยืนอย่างไม่สมรวมบ่งบอกถึงความเคารพแต่การกระทำแต่ภายในไม่ได้นอบน้อมเคารพเลยเมื่อครูอาจารย์เห็นสิทธิประพฤติอย่างนี้แล้วความสบายตาความสบายใจความยินดีและอนุโมทนาในการทาความดีของสิทธ จะมีเกิดขึ้นในจิตของอาจารย์หรือไม่ทุกท่านคงจะตอบเหมือนกันก็คือความยินดีความสบายใจและอนุโมทนาที่สิทธิ์ได้แสดงออกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับครูอาจารย์เลยนี่ก็อยากจะชี้เห็นถึงว่าไม่ใช่ของง่ายเลยที่จะสามารถทำคุณธร ร, รมคือกระตะเวทีนั้นให้เกิดขึ้นได้และพื้นฐานของการที่จะทาให้คุณธรรมนี้เกิดขึ้นได้นั้นก็คือจิตที่เป็นกุศลนั่นเอง พระจิตเป็นกุศลเพราะเห็นในคุณของท่านการกระทาต่างๆมีการลุกขึ้นยืนรับเป็นต้นนั้นจึงแสดงออกมาจากจิต ท, ที่เป็นกุศลจึงเป็นกิริยามารยาทที่งดงามเพราะมารยาทนั้นเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาวะจิตของผู้ประพฤตินั่นเองฉะนั้นจากตัวอย่างการลุกขึ้นยืนรับนั้นเมื่อจิตงามไปด้วยความอ่อนโยนของกุศลจิต มารยาทของการลุกขึ้นยืนรับก็งามครูอาจารย์ที่ได้เห็นก็ยินดีปรับปลื้มไปกับความดีงามของสิทธิตนนี่จึงขึ้นชื่อว่าการกระทำตอบโดยการลุกขึ้นยืนรับได้อย่างสมบูรณ์อันหนึ่งกะต่วทีนอกจากจะยังความยินดียังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำตอบแล้วนั้นกะต่เวที ยังเป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะเอาไว้ฝึกฝนจิตซักฟอกจิตที่เข้มข้นขึ้นจากคุณธรรมคือความกระตันอยู่เพราะการกระทำตอบนั้นจำเป็นต้องกระทาไปด้วยพื้นฐานของใจที่เป็นกุศลฉะนั้นกระบวนการของกระตะเวทีคือกระทาตอบก็เป็นกระบวนการที่สั่นคลอนชาระกิเลสไปด้วยเช่นเจ้านายจะให้รางวัลแก่ลูกน้อง จิตของเจ้านายก็จำเป็นต้องชาระความตรนีออกไปจากใจเสียชั้นหนึ่งก่อนโดยจิตที่เป็นจาคะคือสละในที่นี้คือสละความตระหนีออกไปจากใจแล้วฐานะคือการให้ปันจึงดำเนินต่อไปได้ที่ว่ามันยืดยาวนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นอํานาจของผู้ครองใจของเราที่เรียกว่ากิเลสนั้นว่ามีอานาจมากมักจะทำจิตของเราให้เศร้าหมองกุ่นบัว กระด้างร้อนรนไม่ผ่องใสไม่เบิกบานอยู่เป็นนิดและหนึ่งในคุณธรรมอันพระพุทธองค์ทรงสันเสริญว่าเป็นมงคลยิ่งเมื่อผู้ใดทำให้เกิดทำให้มีขึ้นในตนได้แล้วไซความทุกข์ที่จะลดทอนลงไปความสุขที่จะมีมากขึ้นจะเป็นผลที่พึงหวังได้ซึ่งคุณธรรมนั้นก็คือกตัญญูกะตะเวทิตาการรู้ซึ่งอุปการะ หรือคุณของบุคคลอื่นที่มีแก่ตนและกระทําตอบและเนื่องในโอกาสของวันเด็กที่จะมีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คุณธรรมคือกตรญูกตะเวทิตานั้นก็ขอให้สาธุชนทุกท่านได้ทําให้เกิดมีขึ้นในตนให้เห็นผลลึกซึ้งลงไปที่ใจและได้ปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมนี้ให้แก่ลูกหลานเยาวชนของเราให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศนั้นเป็นบุคลากรชั้นดีคือมีคุณธรรมในใจรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักคุณของผู้ที่กระทำอุปการะแก่ตนรู้จักคุณของประเทศและได้กระทาสิ่งต่างตตอบแทนอันสมแก่ฐานะและศักยภาพของตนของตนเมื่อทำได้ดังนี้ความสงบความสุขก็จะเกิดมีขึ้นในสังคม ในประเทศของเราอันหนึ่งก็ได้ใช้เวลาไปพอสมควรกับอาธิบายเกี่ยวกับหนึ่งในสองมงคลที่ยกไว้เป็นนิเคป บ, บทเบื้องตน้นส่วนสันตุถีคือความสันโดษก็เป็นอีกมงคลหนึ่งที่ยกมาไว้เพื่อเป็นหัวข้อเพื่อเป็นพรต้อนรับปีใหม่สำหรับสาธุชนทุกท่านแต่เนื่องด้วยเวลาที่ใช้ไปพอสมควรแล้วอธิบายของมงคลสันตุถี คือความสันโดษนั้นก็คงต้องขอยกไว้เป็นหัวข้อทมสาหรับเทศในครั้งถัดไปที่ได้แสดงธรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง